ฟั yeah, งธรรมกันปฏิบัติธรรมกันปฏิบัติตามธรรมมีสติไปในกายอยู่เป็นประจําเนี่อว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ อยู่กับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายที่ไม่เป็นธรรมมีมากบางไอ้หล่ยอย่างเราจะได้เห็นเราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นธรรมละธรรมดำจเจริญธรรมขาวมัมีผิดมันมีถูกไม่มีความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมตัวกาย นี่ความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมต่อจิตใจต่อมาเช้่สิทธิอันชอบธรรมช่วยขณะที่มันไม่เป็นธรรมให้ทันช่วยได้ทันท่วงทีจะไม่มีรอยแห่งธรรมดำไม่เปิดไม่เปื้อน โดยเฉพาะวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่เกิดความพร้อมเพื่อปฏิบัติให้ความเป็นธรรมในขณะที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเรามีที่ตั้งเรามีการกระทามอยู่แล้วเรามีสิทธิจับใจสิทธิอยู่แล้ว มีสุติไปในกายอยู่เป็นประจำเราก็ย่อมมีผลลองในที่ในที่ตั้งมีสุติไปในกายมันก็เป็นปกติสมผัสกับความปกติปกติคือบ้านของชีวิตมันจะเห็นสิ่งที่ไม่เป็นปกติเกิดขึ้น เราก็ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกน้อยข้างพันหนนทันทีมันหลงทีหนึ่งเราลู่ทีหนึ่งมันหลงสองว่างลู่สองข้างลูเท่าลูทานก็จะได้สัมผัสความเท็จความจริงที่เกิดกับความกระทาของเราได้พบได้เห็น ไม่ใช่ลูกมันเกิดการพบเห็นอันสิ่งที่มันเกิดที่ไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราเรามาประกาศความเป็นธรรมเรายิ่งใหญ่เรารู้สึกตัวในเป็นภาวะที่ยิ่งใหญ่เรามไม่เป็นอะไรปกติเป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่มีสติเป็นกายเป็นชีวิตที่ปกติ มันยิ่งใหญ่มากไม่เป็นอะไรยิ่งยิ่งใหญ่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไเป็นแต่อาการที่เกิดกับ้ า, ก, ากับจิตนอกจอมีสติไปในกายไปในจิ ต, ตอสาที่เรียกเป็นวิชาการเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมรามาม่วมนมาลงไว้สรุปลง ไม่เป็นอาการที่มันเกิดกับกากับใจเท่านั้นไม่ให้คุณให้ค่ามันความปกติมันยิ่งใหญ่เราไม่ได้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้ปีเกี่ยวกับมันเพียงไม่ให้ค่ามีสติกับมาที่ตั้งกับมามีความรู้สึกตัวอยู่ทุกนาทีก็ว่าได้ แม่เมตตาก็กลับมาไม่มีหูจะโบกเล่นกายใจกลับมาตาเห็นลูกก็กลับมาลูกสึกตัวหูได้ยินเสียงกลับมาลูกสึกตัวใจหมกได้กินกลับมาลูกสึกตัวลิ่นได้รถกลับมาลูกสึกตัวกายสองมัิกลับมาลูกสึกตัวจิตใจมันคิดอะไรกลับมาลูกสึกตัวขณะที่เรา ที่บอดจอมมันก็เกิดความวอกอย่างนี้เอามาลงที่ความรู้สึกตัวทั้งหมดเหมือนตากลับมาทางในไม่ออกไปข้างนอกตามันออกไปข้างนอกเวลามาเห็นลูกมันมีความพอใจไม่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นแหลตาวิ่งไปข้างนอกกลับมาข้างในมาลงที่ความรู้สึกตัว เอาวัตถุที่มันเกิดที่ทําให้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวมาเป็นความรู้สึกตัวทําอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานมันเสร็จสิทธิ์มันจะได้ที่ได้ทางจำนี้จานานคร่องแคล่วว่องไวได้ประโยชน์สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษกลายมาเป็นประโยชน์ได้บทเรียนจากมานเราจะมาฝึกกันไม่ใช่มาเรียนรู้ ฝึกตนที่มันไม่ใช่ทรรมนั่นแหละบางทีแม้แต่ความคิดเรายังไม่ฝึกตัวเองเพราะว่ามันยากมันยุ่งคิดมากกลวงง่วงก็ไม่ได้ฝึกตัวเองแต่คนที่ฝึกตัวเองมันมีต่ประโยชน์เห็นความม่วงที่มันเกิดขึ้นเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นเห็นจิเลตันหาที่มันเกิดขึ้น ไม่เลยนไม่่เป็นเรื่องยากคำว่าซตินี่รู้แล้วว่าเท่านี้ก็พอแล้วผิงที่ทำให้เออกิดความพร้อมกว็วิปกรรมฐานกู้เขือนเข้าเยียดเขีนออกนี่กรรมฐานแล้วจึงเป่งหัดทาให้เหมือนเป็นไม่ใช่ไหมผิดเป็นผิด ยังทำไม่เป็นถูกเป็นถูกยังทำไม่เป็น <existing> <ward you S 2> ทุกเป็นทุกยังทำไม่เป็นหลงเป็นหลงยังทำไม่เป็ี่ยนถ้าทำเป็นหลงก็เป็นรู้ผิดก็เป็นรู้สุขทุกข์ก็เป็นรู้มันจะมาที่นี่มันลงตัวเมื่อเมื่อมีความรู้สึกตัวอะไรก็เป็นธรรมมีความเป็นธรรม ม น, นมีความเป็นธรรมต่อเราต่อชีวิต้องเราต่อกายต่อจิตใจนี่คือปฏิบัติธรรมธรามไร้ทุกคนมีสิทธิเราเคยมีปัญหาสิ่งที่มันเกิดกบึ้ากับใจเมื่อปฏิบัติธรรมมันจะเป็นปัญญาเสียแล้วปัญหาเป็นปัญญา ได้ปทดเปลี่ยนได้รู้ได้สัมผัสให้ความเปนทนธรรมมีสติอาการที่มาเกิดเกับกายก็บใจมันก็ไม่ใช่ว่าจจยิ่งใหญ่ไม่มีสตาวุเหมือนกับยุงด้วยซ่อมปายไม่มีพิษมีภัยเหมือนยุงเหมือนแมงวันเพียงแต่เป็นอาการอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สมคัมันม่นหมายว่าสุขว่าทุกข์ ปีเท้มันเป็นอาการเปิดอารมณ์เท่านั้นเองไม่มีมีดมีปืนไม่มีอะไรแต่เราต้องยอมมันทำตามมันเท่าไหร่นานเท่าไหร่ตามันก็มีสังขารพงหูก็มีสังขารชมูกาดึงกายใจมีสังขารไปไกลถ้าเราไม่กลับมาไปกลายติดได้เป็นพบเป็นชาติในตาในหู ในจงหูดิ้นในกายในใจรูปรถกินเสียงมันก็มีสังขารมันปรงเป็นภพภูัญชาติได้แล้วก็ท่องเที่ยวเที่ยวนานไม่จบไม่สิ้น่อมาเห็นเข้ามาข้างในก็เห็นป็นญาการได้ประโยชน์ป็นญาการไม่มีค่ามีแต่ธรรมชาติมีแต่ปกติอยู่เป็นตึงนิด ความหิวก็เป็นปกติเป็นธรรมชาติความร้อนคองหนาเป็นปกติเป็นธรรมชาติไม่ใช่สังขารสังขารในอุปทานอุปทายจะรู้มีรสชาติทําให้เจ็บปวดลงโทษตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวปฏิบัติธรรมมันจะเป็นปวดปล่อยปวดปล่อยชีวิตเรา เป็นอิสระภาพเป็นประชาที่บาดตายเป็นธรรมาที่บาดตยธรรมาที่บตยยาเป็นความเป็นทรรมต่อเราแล้วเมื่อมีความเป็นทรรมตัวเราแล้ ว, ลวก็มีความเป็นทรรมต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากมายพุพน้น โ, โลกก็ว่าได้พุ้นจากความไม่เป็นธรรมที่ฉลาเป็นปกติ ความยิ่งใหญ่แต่เดิมมันไม่เป็ี่ยนอะไรอยู่แล้วคิดใจของเราชีวิตของเรานะมันไม่เป็ี่ยนอะไรไม่จะธรรมชาติไม่แต่อาการถ้าเป็นรูปมันก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการที่มันความเจริเท่าน้ําเข้ามายั่งยืนเป็นอาการของรูปเมื่อหวานก็ผ่านไปแล้วกับเลยไม่ได้ บาการของโลกของโกอุกปเทศพวกนี้ก็ยังไม่มาก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่มันทาได้โดยจึงพยายามใช้ชีวิตเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะกรรมาฐานวิชากรรมาฐานนี่ทุกวินาทีเป็นปัจจุบันเมื่อเป็นปัจจุบันหนึ่งวินาทีได้มีสติ สองวินาทีได้มีมสติจากสติเป็นปัจจุบันความรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นปัจจุบันก็มีอดีตมีอนาคตอยู่ที่นี่แล้วมีสติแล้วก็เราวควาชั่วป้องกันความชั่วดีจะเกิดขึ้นเีงได้ตามความดีที่จะเกิดมีต่อไปได้ต่อไป เ, เรื่อยเื่ออันนี้คือทําได้ มันมันสมปรารถนาชีวิตของเราในเวลานาทีเป็นเป็นสิ่งที่เรามีสิตใจที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเรามาใช้จิตใจเรนี้กันฝึกตนสอนตอนลองดูเราจะเปลี่ยนแปลงเช่นไรจะล่วงพ้นภาวะเก่าภาวะเดิมได้บ้างไหมมันมันมีอะไรที่มันต่างเก่าอย่างเรา <c oughs> สวดประสูตร <c oughs> สมมตสดิสมมตสมาธิอยู่ที่ไหนไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่เรานี้มีสติไปในกายแล้วก็มีกายกายในกายเห็นไหมอันกายนี้เป็นรูปเป็นท่าสีกันน้าแต่กายในกายอีกมันเป็นตัวเป็นตน ตัวร้อนก็เป็นตัวเป็นตนความหนาเป็นตัวเป็นตนความหี่วเป็นตัวเป็นตนเกิดจากกาอีกหลายภพหลายชาตินั้นเกิดดอกเกิดดอกเรียกว่ากายไงกายอยู่เป็นประจำเวทนาในเวทนาเวทนาในขันหน้าไม่มีอะไรมันเป็นสัญญาณภัยให้เราได้ปฏิบัติโตจิตที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ให้เป็นโทษ ในเรามาเป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เป็นสุขไปเฉลี่แล้วเป็นทุกข์ไปเฉลี่แล้วเหยียดสุขรับทุกข์ควงมอยากได้ความสุขกวามทุกข์วิ่งตามเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นคู่กันเราจะมาดูมันถ้ามันเหนือตรงกันข้ามในสุขมันก็ไม่มีสุขในทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ แลาวยังมีสุขมีทุกข์ยังเป็นคู่ยังเป็นรสของโลกออกมามาดูหมอนถนออกมาถนควาพอใจและความไม่พอใจในโล ก, กเสียได้ <c oughs> โลก ม, มีรสชาติถอนออกมามาเห็นมารู้สึกตัวรู้จึกตัวไม่ได้เป็นไปกับมันนี่ก็เกิดขึ้นทีนี่ นกายในกายเวทนาและเวทนาจิตในจิตสว่างของจิตคือมันคิดเมื่อมันคิดสิ่งใดก็ทําตามมันคิดเป็นสุขก็เป็นสุขคลิดเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์คิดโกหกก็ทํำตามความโกหกชิดหลงก็ทําตามความหลงคิดโลภก็ทําตามความโลภคิดลักก็ทําตามความลักคิดเกียดชังก็ทําตามความเกียจชัง ้ความคิดเป็นความยิ่งใหญ่ทั้งทั้งนี้ไม่ม่ตัวไม่ตนเสียเปรียกความโกรธเสียเปรียบความทุกข์บางทีก็เฉดหลดบบ้างแต่ยังไม่เฉลดหลิงจริงๆทะเลอกกันเวลามันหายเวลามันโกรธทะลอะกันเอาความโกรธหายไปอายกันเฉลยอดแต่เวลาพระโกรธก็เอาอีก บางทีก็เป็นเฉลี่ไปเลยผู้บางคนไม่ฝึกตนสนตนเป็นโทโสาจริ่เป็นโมหะจฉิีเป็นหลาคาจริตถ้ตเรามาฝึกนี่มันจะเป็นพุทธเจลี่ยรู้ตื่นในทุกกรณีง่ายที่จะไม่หลงง่ายจะไม่ทุกง่ายจะไม่ผิด น้อยที่จะไม่กลัวเป็นธรรมทุกกรณีถ้าเราไม่หัดไม่เปิดมันก็ไม่ไม่มีความเป็นธรรมเลยมีจิตมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองเพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งใจไม่ได้น่าจะมีชีวิตเหมือนข้าตัน้อยว่าจะยกมา่าวไหวตัวเองได้ไหมเราใช้ชีวิตอย่งางไร วันนี้เราประหัตใช้ชีวิตอห่งชัดเจนแม่นยามในทรรมอยู่เสมอจนมันเป็นความจานานจานานในความรู้จานานในการเปลี่ยนแปลงจานานในการล้ายาตะเป็นยาจํานานในการรู้ความรู้สึกตัวจานานกลัวอย่างไปกํากับกับทุก เรื่องที่เหมือนเกิดกับกากับใจความหลงเกิดขึ้นก็รู้แล้วนี่คือหลงเห็นเหมือนหลงไม่ได้เป็นผู้หลงความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้แล้วนี่คือความทุกข์มีนมั้นมีทุกข์ของรูปมีมากมายนั้นหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นทุกข์ ต้องเคลื่อนต้องไหวยืนเดินแล้วนอนถ้าไม่เคลื่อนไม่ไหวก็เป็นทุกข์ถ้าไม่กินก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์ทุกข์ของลูกเป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติเป็นการทุกข์กับทุกข์ที่โจรมาเป็นนิสชนะทุกข์ทุกเนืองนิสันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของลูก ระหว่างรูประหว่างนามคือกายคือใจนี่น่าเราไม่ฝึกไม่มีกวามเป็นทรรมต่อกันเลยบางทีรูปเบียดเบียนกายรูปเบียดเบียนนาคือใจบางทีนามคือใจเบียดเบียนกายคือรูปทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์ทั้งรูปบางทีรูปอยู่เจ็ยบค่อยได้ผวยกิคไปทุกข์ใจ กังวลซ้มเติมสองสองดอกถูกลูกศอนสองดอกดอกหนึ่งถูกที่กายโลกหนึ่งถูกที่จิตใจมันจะอยู่ได้ยังไงนั่นหรอปฏิบปธรรมจะไม่ถูกสักดอกยาต่อปัญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีดอกข้างหนปัญญากำหนดรู้ด้วยการเจกแจง ไม่มีตัวให้สุขไม่มีตัวให้ทุกปหาปรญญารู้ในการละง่ายที่สุดไม่เป็นอะไรง่ายที่สุดไม่ได้เป็นเป็นพนักดองดูซีสัมผัดสดูซีงั้นหลงเห็นหลงหรือเป็นผู้หลงเราใช่อย่างนี้เราใช่อย่างกับจริงเ่านี้อย่างลายเห็นทุกข์หรือว่าเป็นผู้ทุกข์ สัมผัสแบบไม่ดูปฏิบัติจะได้สัมผัสอย่างนี้เห็นความง่วงหรือเป็นผู้ง่วงเห็นความเครียดหรือเป็นผู้เครียดเราเราดูอย่างนี้ไหมถ้ามาดูอย่างนี้เรียกว่ายังยังไม่ได้หลักกับก า, ายกับใจก า, ายมันก็มีหลักใจมันก็มีหลักชีวิตของเราไม่มีหลัก เที่ต้องศึกษามันหลักสูตรทั่วไปก็ในศาสตร์ตั้งไว้ที่ศูนย์มันจึงจะได้มันจึงทาถูกมลงที่ศูนย์ให้มันเหลือศูนย์จึงกีจใช่ได้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเอาว่าศูนย์มันไม่ค่าไม่เป็นไรไม่ค่า ไม่ิจะเห็นเห็นไม่เป็นเองสะดวกที่สุดถ้าเป็นเนี่ยมันทำไมได้เอเหมือนทุกเหจนมันทุกเน่ยมันสะดวกกว่าทุกที่เป็นทุกทุกไม่เป็นทุกเพราะมันเห็นทุกเหมือนเห็นงูเห็นงูพิษมันแผ่แม่เบี้ยอยู่ไมัก็มาให้งูกัดได้ เห็นถูกก็เหมือนกันเห็นผิดเห็นถูกเห็นเลยต่างๆเหมือนกันหมดนี่คือชีวิตของเราถ้าเราฝึกนถ้าเราไม่ฝึกก็สู้สีสูสีมุกมี ม, กมุกมาปนไปกันไปมั่วชั่วกันไปคนที่แล้วก็กลายเป็นคนเขียจคร้าแล้วแต่ค่มไล่ข่มดีผู้ผูแผลแพลบุ้งเกง่แกงแตงเก่งนอนคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดกลางคืนเป็นกวนกลางวันเป็นเปรียว ไปได้หลอกได้ฐานจากชีวิตจิตใจแค่ไหนเพียงหลายอยู่ตรงไห น, นเอาใช้หลยมีประค่าลายคิดเราแล้ว ย, ยิ่งเราเป็นสัตว์ที่เป็นสังคมมีผัวมีเมียมีลกูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมิดบางทีก็เจียวข้องกันไม่ถูกเ็นศัตรูหัวรีกันไปโดกคนทะเลาะคช่อง แบ่งกันแล้วเราปฏิบัติธรรมก็จะเห็นเป็นคนคนเดียวก่อนเป็นคนที่สงหน้าสงสารเป็นเพื่อนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันเบียดเบียนกันไม่ลงเห็นตัวเองเลิกเบียดเบียนคนในเวลาเห็นโอเคเห็นใจแล้วก็เป็นมิตรภาพเป็นอันเดียวกัน ลาบเป็นเดียวกันโงกเดียวกันนอกจากผู้คนที่เป็นเพื่อนเกิดเจีเยเจ็บกายด้วยกันแล้วมีอีกมากมายที่อยู่บนโลกนี้แม่เห็นโงด ก, ก็ยังเป็นเพื่อนกันเห็นสัตว์อะไรต่างๆเป็นเพื่อนกันหมดเม็ดตินเม็ดเห็นเม็ดชายต้นไม้อากาศเกี่ยวข้องกับเราทั้ง น, นั้น เรานี้ไม่ได้ดีอะไรเลยสิ่งที่พาให้เราดีมากที่สุดคุณพ่อคุณแม่หัวาจาร <c oughs> แล้วกับพรพุทธระทํามระสงค์อาหารน้ำดินอากาศริงเวดล้อมชีวิตเราไม่ได้ดีเลยเลยแม้แต่เสื้อผ้าห่มนี้ก็ได้มาจากคนอื่น นั่งอยู่นี่ก็เป็นมาจากไม้ในป่าอะไรที่เราว่าเราเก่งสร้างบ้านสร้างสลาหลังใหญ่แข็ง เ, เอาเขหาหัวใช้มาว่าเราเก่งมาอจะเดินที่นี่จะมันจิบหายที่โน่น <c oughs> ว่าเราเก่งเออเสื้อผ้ามาอะไรมาอะไรพุงเฟื่อย มันหมดพลังอะไรกันหมดไปบ้างแล้วเปินบริโภคกันกวามจาเป็นไม่แต่อารมณ์คิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักอิม่มจะโคกิเลตปันหาตนาลอยแปดนาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทะเลเสมอด้วยความสิ่งที่ภูไหนคิดของเราไม่มีเลยขนหัวลกนะ้ำสงสารตัวเองจะคิดไม่ได้มา ปฏิบธรรมก็เธอพวกเรานับหนึ่งจากตัวเราเี่ยเปลี่ยนหลงเป็นลูกมีไหมเวลาเราเมยยกมันขึ้นจะมันหลงขึ้นไปกลับมาลู้เออเนี่ยงานชอบตั้งใจมันชอบตั้งสติชอบตั้งกายชอบมันได้ความชอบทำที่สุดเวลานี่ยกก็รู้สึกตัว มันจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นค่ะที่รู้เหมือนตาที่เลือนอยู่ยอมเห็นสิ่งที่ผ่านมาตาในที่มันมองดูมันเห็นเห็นความคิดไม่เคยเห็นความคิดเลยไม่เคยสอนความคิดไม่เคยแจ้ความคิดเกิดมาจนแต่ถึงอายุสามสิบปีไม่เคยแก้ความคิ ด, ด, ม, ม, คค ม, คดมันคิดอะไก็ยอมมันหมดนึกว่าเรา คืนเวลามาคิดมากก็นอนไม่หลับอิดบางเรื่องน้าตาไหายเป็นทุกข ค, ค, ค, ความคิดมัเยอะเลยทุกข์เลยหวามรักความชางความโกรธโลคหลงเก่อจากความคิดเราไม่เคยดู ม, มันบอมามีสติมาดูกายเคลื่อนไบไปนี่มันเห็นนะเหลอหนี่เรามาอยู่นี่รู้จึกตัวนี่โอ้มาได้นี่ยนะ แต่ก็มิได้คิดก็ยกหมือชา่าเกี่ว่าคิดถึงโลกคิดถึงเมียคิดถึงงานงานเราเนี่ยมันมีประโยชน์เนอะวันหนึ่งต้องมีไรายได้โบราณท่านว่าไปาป่าจะมาลายเอาไม้ตาอยมาแจ้งหม้อนึง่งถ้าไม่ได้ลายให้ได้ฟืนเหมือน่บหงเขาเป็นคำว่ายอาโจมต้องคิดแบบนั้นมายกหมือชา่าเกี่ยวไม่ได้อะไร แต่เราเอาวัตถุมาเป็นเครื่องกําหนดคือตรองเราถ้าเราไม่ได้วัตถุ ก, ก็ไม่มีเครื่องกําหนดหิวดอยรู้ดอยสมบูรได้อารมณ์เป็นวัตถุมาถูกโลกโวรมะยกหมูเราได้อะไรได้ความรู้เนี่ยโอ้ได้ความรู้โอ้มาคิดถึงลูกกลับมาว้เวลานี้มาเช่ฟมันนั่งคิดถึงลูกมาไม่สติโอ้สติคือรู้สึกตัว คิดถึงแม่ก็บมาู้จจกตัวคิดถึงการงานกับมาูุจจกตัวคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงน้องน้องกับมาู้จจกตัวคิดถึงทุกคนบางทีเราเดินจงกลมอยู่ไม่เคยเดินจงกลมผ้าอขม่าไหมเพียงเบียงมาอย่างนี้ผมตัอหนูบางเมือเดินจงกรม โอ้ยอยากให้แม่มาดูดลยลูกชายของแม่ทำไมางามเธอเดินยังกูทำผิดเลยไม่เคยเดินให้แมดูเลยอยากเดินหวดลูกหวดเมียตัวอยากเดินวดเพื่อนนะในปา่าอยากนกลองเปินเช่าขึ้นมาตีสามตีสี่น้ําค้างด้วยหนาวด้วยดูเนี่ยน้าค้างจะหยดลงเสศไว้ตองหนังปก๊ปกโป๊กแป๊ก อากาศสลวสลัวไม่มีไฟฟ้าจุดเทียนจุดตะเกียงแสงตะเกียงพักับน้ำค้างเป็นหมอกอหนาวเลยเดินเลยมันช่างงามนะอยู่ในปา่าบรรยากาศดนรู้จึกตัวเนี่ยไม่เคยได้ฝึกหัดตัวได้เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้จักตัวได้เปลี่ยนความ หลงเป็นความรู้สึกตัวเปี้ยนทุกอย่างที่มันเกิดกับกว่ารับใครมาเป็นความรู้สึกตัวมันช่างมั่นใจเหลือเกินมันทำอะไรแต่ขณะที่ทำานกวนร้อนความชั่วทำความดีมันก็บริสุทธิ์ไม่เปื้อนเพื่อนกับเพียงใดล้วก็ต่างเก่าต่างเก่าต่างเก่าก็พ้นมาเอา้ามันไกลเลยมาเนี่ย คนนี้น่าเกลียดนะคนนี้น่ารักนะมันก็ไม่ป่ไปมันก็มาอยู่ตรงอย่างมันยากไม่ถูกต้องควมรู้สึกตัวเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดก็มารู้สึกตัวไม่เป็นลายจิตบริสุทธิ์ไม่เป็นไรก็บลอดภัยมันก็รู้สึกว่าเหมือนต่างก่ามันเบาเมื่อได้หลักฐานเห็นรูปเห็นนาเห็นอาการธรรมชาติเห็นสมมุติเห็นบัญญัติในโลกแห่งสมมติ แต่ก่อนเราสมมติตาเห็นรูปสมมติต้องไปเจียวข้องว่าชอบมาชอบเมื่อมีสมมติก็มีบัญญัติเมื่อมีบัญญัติก็มีอุปทานยึดเอาให้อารมณ์หนักทีบสลายเป็นภาละหนักวันนี้เหมันก็เบาๆเป็นการลรื่องตาคิดแต่ล่องตาโบกไก่โบกคิดตาขอก่า เราจะเห็นรุนเห็นคุณพ่อแม่เลี้ยงมาพ่อแม่เราลูดลูกหนีหรืเปล่านะ้อพ่อแม่เราเห็นลูกเป็นหนามไหมไม่ใครน้องเห็นลูกเป็นหนามเนี่ยถูกลูกขูขกนํง่หลกไปเท่าไหรนะ่น้องหลกให้หลงหลกให้โกธรลกให้สุขหลกให้ทุกข์หลอกหลกมาไม่มีใครลูดมัง้งเราจะไปช่วยคนเดี๋ยไปบอกคนไปโบกใครก่อนไปบอกแม่ ว่าจะไปโบกพ่อพ่อตายมันคิดไปเออเห็นคิดเห็นบุญคุณเอามาคุุมผ้าเรานาะเนี่ยแม่เลียเยเ้ยงมาพ่อเลี้ยงมาอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้โอ้แม่อาจจะทำไม่ได้พ่อจะมามันคิดไปเป็นเป็นความปิติเป็นปีเวกแล้วก็เห็นความเป็นความจริงที่เกิดเกิดชีวิตของทุกคนเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดคนที่เคย อิจชาไปวบาทขอโทษขอโทษไปแต่บทพัแรงบริสุทธิ์หมดจุดจ่กเครื่องสมอที่เป็นบาปกรรมเพราะละบาปละกรรมละสนลอยคิดว่าจะเข้านี่ฮะตอนนีได้ประโยชน์ทำอย่างอื่นไม่รู้นะแต่ว่ามาปฏิบัตินี่มันเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นมา ยึงอยากจะขอท่าทายกับโลกนานเหลือเกินหลงนอนเหลือเกินทุกนอนเหลือเกินสุขนอนเหลือเกินไม่มาลูกจิกตัวเนี่ยอยากจะบอกกันนี่เมื่อมันหลงไม่หลงกว่าได้มีอยู่จริงนะกว่ามไม่หลงมีในความหลงเมื่อมันมีทุกวมมทกวามม่าไม่ทุกกว่ามีเวี่ยนสาไม่ทุกกว่าได้ ความไม่ทุกข์มีอยู่ในความทุกข์ความโกรธอยู่ในความโกรธหนอะไรก็ต่างไม่คู่ในความเกลี ย, ก, มม ย, ก, ยก็มีความไม่เกลยในความเจ็บก็มีความไม่เข็บในความตายก็มีความแต่ ง, ง่ายขึ้นฝั่งได้ง่ายเห็นนี่ขึ้นฝั่งได้ง่า ย, เ, ายเป็นท่าเทียบถ้าเป็นเราขึ้นไมได้หเหมือนเรือเทียบท่า ถ้าเป็นละมันลอยคอจะขึ้นฝั่งไม่ได้ฝั่งที่ไม่มีน้ำถ้าเป็นมันมีน้ำใช่ไหมมุดน้ำโอคาบางที่พระเจ้าโลกทุกขคือโอคะห่วงน้ำแบกว่ายสันโลกแยกว่ายอย่ายสุกสุกทุกทุกนะีถ้าเห็นเนี่ยเทียบถ่า เห็นนี่มันเทียก้าวกันไงถ้าเป็นเนี่ยต่ำเหมือนใช่ไหมถ้าเป็นเนี่ยฟังมาอยู่เนี่ยถ้าเป็นสุขขึ้นถากวาไม่ความไม่สุขไหมถ้าเป็นทุกข์ูถ้าเห็นทุกข์ขึ้นฟังถ้าเป็นทุกข์อยู่ตรงต่เนะเว้นก็เห็นเราดูนะมันทุกข์เห็นมันทุกข์ ง่ายงๆายพ้นจากทุกข์ง่ายมันเจ็บเห็นมันเจ็บพ้นจากความเจ็บมามันจะตายเห็นมันจะตายไม่เป็นพ้นจากความไม่ตายไม่เป็นไม่เป็นอเลยเลยพูดว่ามีแต่เห็นไม่เป็นกับสิ่งใดสิ่งที่เกิดกว่นกายกับใจไม่เป็นกับอะไรอะไรไม่จะเห็นเห็นหมดไม่ปิดวังความผ่สิ่งที่มันคือกิดกึ้นเห็นมานานแล้ว เห็นแล้วจบไปทางฌานจบนะชีวิดของโหลเนะั้นจบไหมหลงกันเดียวใช่ไหมทุกันเดียวโกรธันเดียวจบแล้วก็คือเห็นแล้วมีอะไรให้หลงอยู่ไหมนอกจากความหลงถ้าไม่เป็นไหนมีอะไรจะให้เป็นไหนมันไม่เป็นอะไรมันใหญ่ไหมมาวะที่ไม่เป็นอะไรยิ่งใหญ่จะให้อยู่ที่ไหนไม่มีที่เป็นสุขก็ไม่มีที่ ทุก็ไม่หมีที่ไม่เป็นอะไระปฏิบัติธรรมไม่ใช่อวบอึ น, นไม่ใช่เป็นเล่าปเปรียนไม่ใช่ละที่นิกายไม่ใช่เพศว้มันอยู่ที่การกระทำของเรา เ, เปลี่ยนหลงเป็นลูกเหมือ น, นหลงงหนนาม น, น, นี่ยนเอ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่กลับพระพ้องกัน